ไงกันบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงฮะเปดชื่นมากแกงม่งวงครับแขงง่วงนะใครู้สึกแบบสบายสบายเพราะอะไรความเยน็น ต, ตอนแต่ตอนบ่ายตอนเช้าก็เย็นอยู่เหมือนกันนะ แต่สบายตลอดไหมบางกีก็ตอนเช้าเราได้อยู่ตรงนี้นะตอนบ่ายก็อยู่ตรงนี้แต่บางทีก็ง่วงนะแต่ตอนนี้พอเราไปออกไปตากแดดอากาศอ้าวเสมอพอกลับมาแบบสุดสบายดูนะในมือหลายดี แ้วตอนเราไปขอไปปฏิบัติอยู่ที่สนามวันนึใครมีความรู้สึกมีอะไรเหมืเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราจิตมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นไป ไอสุทธ hey, ิตั nah, uh. ้ง50เปอร์เซ0นต่ะ um. ่าจะได้น uh. ่า้รยรับไใครน้อยกว่า50ปใครที่ว่าน่าได้มากกว่า50เปอร็นต์ก็มเกียประมาณน่าจะเกิน50เปอร์เซ็แต์เ่าน้เแต่มสวยแงไปแตอะไรความคิด แบบไอ้แบบสิ่งก็ข้างมาไหม <c oughs> ไม่มากเท่อกข้างในเราเองใช่ไหบ<ม>ทีเราข้างก็จะมีเสียงหรือว่ า, าอากาศก็จะร้อนแต่มันก็เป็นแค่ชั่วคราวมันตึงแบบสักหน่อยพอเราคุ้นกับเสียงดังพอเราคุ้นกับเวอ ร, ร์ดาใจเราก็จะเริ่มไปสนใจมันเท่าไรแล้วใช่ะแต่ข้างในมันมันแรกป่วยจะเกิด ท้างในมนเกี่ยวกับสถานเนี่ยไม่เกี่ยวมันอย่ที่นี่ <c oughs> นก็แบบอยู่ข้างนอกก็แอบอยู่ที่นอนก็แอบอยู่ที่วัดก็อททแอบนะอมันเปน็นเหมือนกล้ายๆเหมือนเชื้อโรคนะที่มันอยู่ในใจเชือโรคมันอยู่ในใจดัะนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ไเกี่ยวกับสถานละภาษ์นะ ในวเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายรา่าดูไม่ขี้ก็มันก็เป็นโรคของใจดีอย่างว่าแวบเรยังกล<ช>ับมาไดไไ้ใช่เราจะกลับมาแวบก็กลับมารู้สรู้สึกแต่กอยางไม่แม้เลยรับไปแล้วยาวเลย<อ> น, น, นะนี่แหละนะก็อันนี้แหละที่คนที่ปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรม่างทงนี้ไม่ใช่ไม่แว บ, บนะนั่นปฏิบัติธรรมแรบบ เดี๋ยวทีนี้ว่าถ้าเราไม่มีคามั่นฐานไม่มีหลักเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนเหมือนเราผูกเรามีเชือกของหมาแต่เราไม่ได้ผูกมันไว้ไม่จับไว้อะมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไปเหมือนว่าที่เชือกมันขาดมันก็ลอยไปหายไปไหนไี่รู้ไปยาวสติก็คือเหมือนเชือก เชื่ที่มีความไวจะไม่ให้มันไปไปไกลนะมันไปแล้วก็ ก, กลับมาแต่สติไม่ใช่เหมือนผูกรัดมันไว้เลยนะถ้าผูกรัดไว้เกินไปก็จะอึดอัดมีแ ม, ม้ใครปฏิบาาัติแล้วอึดอัดมันจะดีอย่างเงี้ยอึดอัดก็ตั้งใจไปถ้าเราปฏิบัติแล้วมันเหมือนปวดหัว หรือว yeah, ่าแน่นหน้าอกไม่สบายหายใจมันเหนึ่อยขาอบบางทีลาไปตั้งใจไปมีไหเนี้ยเคยเป็นเคยเป็นหน้ลา เป็นแบบไหนแล้วก็เราก็จะไม่ไม่เป็นอีกแต่บางทีก็ไม่ไม่เสมอไปนะบางทีก็อาจจะเป็นดีก็ได้แต่แต่เราต้องการู้รู้แล้ว่าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่บางทีนักปฏิบัติธรรมบางทีหรือบางคนคิดว่าเพ่งไม่ค่อยเพ่งตั้งใจมากเกินไปก่อนเดีมันจะดีของเองจริงจริงมันเหมือนทางสายการที่อุปเลยการเอา ขาที่มันตึงเดินไ ป, ไปดินตึงมากขึ้นมากขึ้นมันมันจะขาดใช่ไหมบางทีนักปฏิบัติธรรมันบางคนขาดสติเหมือนเป็นบ้าต้องอะไรคนไม่ใช่วเขาอยากจะเป็นนะไม่ใช่เขาอยากจะเป็นแต่บงทีพอปฏิบัติแล้วมันจินจังเอาจีนถอยจังท่านใจเดินไปบาทีมันก็ากายั น, ยนเปลี่ยนอะไรก็มี บางคนก็กลัวกลัวปฏิบัติกลัวเลยปฏิบัติจะเป็นแบบนั้นเพราะเขาเคยเห็นตัวอย่างตัวอื่นเป็นแบบนั้นเ้ยนะแต่ถ้าเรามีสติน่ะมันจะไม่เป็นแาบนั้นแบบนันหมดเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ละแล้วก็แล้วก็ดึงสติกลับมามีอะไรบ้างอีก ขณะที่ร่างกายมันร้อนเหนื่อยมันออกแีแกเป็นแบบไหนเป็นยังไงอยากพักอยากครับก็มัมนก็อาจจะเป็นความอ ย, า, อยากเราต้องพักแต่พักพักค่อนตายแต่ไม่ีด้พักค่อน การภาวนาอาจจะมันมันเราเร า, านั่งตากพลมตอนนั่นพักขาแต่เราได้ยังภาวนาได้นะคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเขาวายย่าสหยาดไม่ใช่ว่าต้องเดินหรือต้องยืมแบบมือแบบไม่หยุดไม่พักไม่ใช่นะแต่คําว่าเราพักกายได้พักกายในการนั่งในการนอนในการไปทาอย่างอื่น แต่เราพยายามตามรู้ความรูม้ความเคลื่อนไหวของกายเลไมๆน้องหรือตามรู้ทันสภ า, าวะในใจิตใจเหมือนนะั่ทีเดี๋ยวสี่โมงเราพักจากตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราควรเลยต้อ ง, ง, งพักการภาวนาใ็นไหมเพราะว่าเช่นเราออกไปเจอความอยากเจอความโกรธเจอความหลงที่มัน ไา้ร้อมจิตใจถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะไหลแบกเขาเหมือนไปนใช้ตอนนี้เรามีรักในการขับมาแต่พอออกไปถ้าเราไม่มีรักมันก็จะไปเหมือนเดิมนันการภาวนาก็เลยมันต้องร้อนจิตใจต่อบางทีพระเวลาท่านมีเป็นตื้น น, น, นะไปเดินลาดแหบบ้างไปเดินขึ้นเขาบ้างเข้าป่าบ้าง บางทีก็ล้าเหนื่อยนะบางทีมันก็จะเกิดไม่เห็นสภาวะบางอย่างที่หรือถ้าอยู่ว่าอยูในที่สบายหรือที่สงบมันก็เป็นแบบนึงเจอที่ที่เราเจอที่ไหน่อยจิตใจเราก็จะไม่เกิดสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจหรือพระบางทีท่านในตัดชีพในตัดชีพคือเราไม่นอนเยอิเป็นแบบไหน มันก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่มันมีูในใจของเราว่านั้นมีความรู้สึกแบบไหนเกิดขึ้นอะไเนีบางทีการปฏิบัติเราก็ลองทําอะไรที่เราในชีวิปตปกติเราไม่ไม่ค่อยได้ไปลองทํำดูบ้างเราไม่ค่อยไี้ทํางานใช้แรงงานเลยเราไม่ก็ได้ตากแดดไม่ค่อยได้อะไรบางทีมันก็นจะเห็นบางอย่างที่มัน เกิดขึ้นในใจของเราเองะไม่ได้เองนี่ก็คือการปฏิบัติความแบบนั้นนะอไม่ใช่วายใจเราเท่านั้นเดินมานั่งแบบนี้เท่านั้นแต่เราจะทําะไรก็แล้แต่เราคอสังเกตว่าที่ติที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรียนรู้ดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นแต่ความจริงในคีิตมันก็เกิด แต่พอเราไม่คอยยมีสติเราเลยไม่เห็นมันมันก็เป็นการตื้นแบบนึงครับตอนนี้ก <It> ็จะเมือนมีคนถามเนาะก็ถึงทีมูลเย็นใครจะถามอลไรก็เชิญปรากฏแค่ได้มันไม่เข้าใจหรือว่าอเพื่อเอาไปเตรียมใช้ต่อไปเป็นแบบไหน จากการเจริญสติแล้วต่อไปเป็นอะไรครับเดี๋ยวคิดว่าน่เป็นอะไรนี่น่าจะเป็นสมาธิดีขึ้นใช่ไหมครับก็อ่ะวิธีการเจริญสตินะมันก็ที่จริงมันมีสมาธีในตัวสมาธิคือใจแต่ละมั่นคงใจตั้มมั่นนี่คือประวัยของสมาธินะแต่คน บางทีคนเฉยๆไปเข้าใจวิธีสมาธ่สมองใจสงบใจไม่ฟุ้งร่างมันมันจต่างกันนะถ้าสมบก็เหมือนเราไม่คิดมันเหมือนแค่ทอนหลับมอนหาับแวไม่ฝันอันนั้นจิตสงบเรานั่งแล้วก็สมบไมีคิดฟุ้สร้านมีความสุขมีความสบายอันนั้นก็เป็นะมาธิแบบหนึ่งแต่ ไม่ใช่สมาที่ที่ในในดักของการเจริญปัญญาสมาีิในการเจริญปัญญาคือความจิตตั้งมั่นตั้งมั่นมันคือคือมันมั่นคงมันจะมันจะไหลไปสุขก็ไม่ไหลไปกับมันมันจะไหลไปทุกข์ก็ไม่ไหลไปกับมันมันมั่นคงมันคล้ายเตาที่ปากโดงในในดินตอกไป มันไม่ไหวมันกับต้นไม้ที่โตขึ้นีใหญ่ลงพัดไม่เอ็นไม่หลงนี่คือสมาธิที่เราฝึกตรงนี้ซึ่งสมาธิตรงนี้ก็มาผู้ประกอบการปฏิบัติให้ได้แต่เกิดเมื่อเราเดินไปเสียงเกิดขึ้นภาพเกิดขึ้นใจบางทีเราก็แร็ไปแต่แ็คไปแป๊หนึ่งมันจะกับมาเข้าไปถ้าเราตกลไปเรื่อยๆ เห็นก็สัตไร้ร่าเห็นได้ยินสัตย์ไรได้ยินรู้สึกก็สัตย์ไร้รู้สึกมันมันจะไม่ไม่ไหลไปมั น, นคล้ายๆเป็นคนในช่องเลยอันนี้คือเป็นทางสมาธิแล้วก็เป็นทางปัญญ า, าการเจริญสติจะเน้นที่การที่เกริญปัญญาเพราะว่าปัญญาเหมือนเป็นตัวตัดกี่เดียสมาธิเป็นตัวคล้ายๆ แค่ผงกีเด็กให้สงบชั่วคราวตอนที่เรามีสมาธิมันอาจจะไม่โกรธอาจจะไม่โลภอาจจะไม่หลงแต่มันเป็นเหมือนชั่วคราวพอออกจากสมาธิแล้วก็ก็ยังอยากอยู่ก็ยังโกรอยู่ก็ยังทุกข์อยู่อันนี้แต่ตัวถ้าเกิดปัญญาือเห็นเห็นหนูกเห็นนามตามต่อเป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆ่นะจิตมันจะคลายความ ยึดถือคลายความยึดถือมันก็ความทุกข์มันเกิดจากความยึดถือนี่แหละพอเราคลาความยึดถือมันก็มันก็ไม่ไม่ไปแบกทุกข์แลนะ้วทุกข์มันก็มีนะทุกข์ของกายก็มีแต่เราไม่ปีติยดว่าเป็นว่าเป็นเราหรือปีติที่กระทบใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ว่ากระทบใจแต่เราไม่ปีติยึดว่าเป็นเรานี่มันก็เลยมีทุกข์อันนี้คือปลายทาง การภาวนามีอะไรไหม คิดก็เป็นลำต่อไปปัญญาตจะค่อยๆเปิดเป็นขั้นจะเห็นคําว่าเราก็ค่อยๆแยกไปเป็นเป็นรูปกับนามหรือถ้าภาษาใจแม้แต่กายกับใจคําว่าเราเนี่ยบางทีเราเหมาไว้ทั้งหมดเนาะแต่ตอต่อไปเราจะอแยกได้อันนี้ตายอันนี้ใจต่อไปแม้แต่ตายมันก็แยกไดนะ้ ตายียทกแต่เช่นปวดหัวแอ่ก่อนเราปวดหัวเนี่ยมันปวดไปทั้งหมดเลยนะทุกขั้งกายทุกข์ใจแต่พอเราเิเนี้ยไอ้ที่ปวดบางทีเราเปอาหัวแบบจีบมือมันไม่ได้ปวดนะมือไม่ได้ปวดนะเก็กลัมาอยู่รนจิตมันเพ่จะมีต้นอยู่อาการปวดหัวอาการุ่วงนอนอาจจะยังมีอยูแต่พอจิตหยุการเพื่งไหว ความทุกมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคือบางทีเราเราเจ็บปวดอะไรใจเราจะไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นปวดัอปวด้าปวดฟันใจเราไม่ะคีอยู่กับเวทนานวิธีการก็คือให้ดึ่นจิตออกมาอยู่กับอย่างอื่นที่มันไม่เจ็บปวดขึ้นที่จริงก็มนดีเอาหน้าลมหายใจไม่เคยเจ็บปวด ด้านกายเนไหนจะเคยเกัวนั่นะแต่ลมหายใจไม่เคยเกลัวนะถ้าเรามีเครื่องอยู่เนี่ยก็ได้อืเวทนาอนักขนไหนถ้าเรามีเครื่องอยู่อยู่ได้อันนี้คือเรานี่มีเครื่องอยู่ต่วหนึ่งพอเราไม่มีเครื่องอยู่เราก็เลยมีอยู่กับความทุกเวทนาแต่พอสติเป็นอางมากขึ้นต่อไปถ้าเราแยกได้กายทุกใจไม่ทุกก็ได้ มันเป็นโรคของกายไม่ใช่โรคของใจนะโรคของกายคือโรคที่เกิดขึ้นกับร่าง ก, กายที่ต้องรักษาต้องกินยาต้องพักอาแต่บางทีเราไม่ค่อยทันอีกอย่างนึ่งโรคของใจคือความปวดความโลความหล ง, ล ง, ลงลนะคือโรคที่มันฝังใน ใ, นใจต่อไปมันจะเห็นว่าที่จริงไอ้ใจจริงๆ้วส่วนหนึนะ แต่ไอโรคที่มันเกิดขึ้นกับใจก็เกิดมันยินมาพูดพูดแบบภาษาสมมติที่เข้าใจง่ายๆละที่จริงจะเี้กว่าใจกับจิตจะได้นะจิตจิตกับใจถ้าเราเด็กพูดนจริงใจเนี่ยเป็นธรรมชาติของใจจิตคือปกติสภาวะเรื่องไม่ทุกแต่มันก็จะมีอีกอยางหนึงที่เรียกว่าเป็นจิตเป็นอางการสุขทุก มีใจเสียใจชอบช้ำคิดแต่นะให้คนนี้มันเป็นอาการอาการนั้นไม่ใช่ใจจริงๆเหมือนกับโย ง, ยโยงตัวชายโยงใส่คิวอนี่เรียกว่าโยงเดีย๋ยวไม่แน่มัข้งหน้าโยนโกนหัวใส่กีฬาก็เรียกว่าพัดถึงเ้นนะบันทีเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ ไปนุ่งขาวนองขาวเรียกภูาลสกภูบาลิกาแต่เราต่อไปที่บ้านลูกก็เรียกว่าพ่อเรากลับไปที่ทํา ง, งานคนก็เรียกว่าเราจะเรียกพี่ น, นะฮะคือเหมือนเราเปลนชุดอารมณ์จิตใจเพื่อเหมือ น, จนใจเมื่อกี้มันเช้าอาจจะโกรธเมื่อกี้อาจจะหนึหนิตอนนี้อาจจสบายอันนี้คือเป็นอาการ ข, ของจิตใจที่นเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ใจจริงจรงมันเหมือน ตาว้าที่มไม่เป็นอะไรมันเติดจะอาอะไรนะมีอะไรนะไม่มีนะแต่ถ้าเราใช้ใช้หนังใช้อะไรก็แอบก็เกลียดไปเรื่อยจิตใจของเราก็เหมือนจอที่มันเป็นปกติธรรมดาแต่มันมีอาการที่มันเกลียดไปเรืนะ่อยนะแรกเราอาจจะไม่เห็นถึงในตัวความว่างตัวปกตินะครับ แต่เราคูอให้ทันเวลามันปุงแตกปุงแตกเป็นช่อปงแตกเป็นช่างดีใจเหตุใจพอเรารู้ทันการปูแตกเรากลับมาหากตอรู้สึกตัวในการปูแตกนั้นมันก็จะจบไปมันปิดไปช่วงขณะแต่มันจะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็อาบอีกแต่พอเราแยกแบบนี้แล้วเลยด้วดมันจะเห็นมั น, มนก็เป็งแค่อาการที่ผ่านไป แต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นเราเราดีใจเราโกรธเราทุกเราคิดไม่ดีแต่ต่อไปเราจะเห็นมันเป็นียงแค่อาการมันมันมันเห็นเพียแค่อาการก็มีปัญญามันก็เลยไม่ยึดมันก็เลยไม่ทุบอ์นี้คือพัฒนาการที่เราเรตประสบเจสิ่งมันจเกิดวิปัสสนาญาต่อนั่นต่อไปอาการบางกาที่ แล้วอาการของกายาการของใจมันจะมีในท่าอการก็เลยไม่มีเราเป็นผู้ถูกมันจะต่างการแค่ทําออกสมองธรรมดาตรงนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้แบบแค่การฝึกเล่นเล่นงอมันต้องเลยแต่การฝึกฝนบ่อยๆ ถ้าเราไม่รับความเพียรถ้าเราไม่หุดเนี่ยมันก็ย่อมเกิดได้เพราะถ้าเราปรับถูกเลยนะทําถูกถนะึงว่าเราเน้นที่การฝึกสติฝึกสมาธิเท่านีหละเราไปไปัญญาก็เกิดขึ้นนะแต่บางคนมักคิดว่าปัญญาหรือการบนทุกข์บางทีเราคิดว่าเรานั่งสงบ น, น, นั่งนิ่งๆกันเหมือน กราถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดเราจะเปลี่ยนใจมันทีไม่ใช่นะงานสมาธิเคยทําความสงบเคยทรสมาที่จิตก็ห้องว่างจิตสงบอตอนแร้เราก็คิดว่าถ้าเราท่องคองมาการตรงนี้ได้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองเหมือนคิดว่าจะมีอะไรลงมาจากข้างบนหรือมันไม่ใช่นั้นที่จริงมันต้องเกิดจาก ข, ขึ้นได้กุศลจิต้องเห็นความจิดเปลี่ยนไปเลย มันจะเดินเราไว้ใจมันเราคุ้นใจครทุกคนอ่ะเราไม่รู้จากเขาจริงหล่ในครั้งแรกที่เห็นแต่เราพอพบไปบ่อยรู้จักไปด้ยเราก็จะไว้ใจเขาบกนั้นแะแต่ใจเราเองเราไม่ค่อยได้พบหาดูมันก็เลยไม่ใจ อะไรอีกไหมอะไรอีกมีอะไรอ่ะ คืออาการที่มันเกิดขึ้นปับจิตใจเพราะที่คุณแต่งอะบางทีเราทำงานถ้าตลอดี่เราไม่พร้อมจะเหมือนเราต้องขอเอามายากเมือนกับเราว่ายน้าไม่เป็นถ้าเราจะไปอยู่ในน้ำโอกาสที่จะจมน้ามันยานกวิธีถอนก็คือถอนอยู่กกายถอนมาอกับกายนี่แะการขึ้นฝ่ามือก็จะอยู่กับกาย อยู่ไปเรื่อยไม่มีเธอไปจมบ้านถ้ากลับมาพะกลับมาไบ่อยมันก็มันก็จะหลุดจากอารมณ์นะเพราะที่จริงนะทุกอารมณ์มีมที่ขาดที่จริงที่เราว่าสอวันที่เราจมตรงนั้นอีสต้องไม่ให้ตลอดนะมันเหมือนแค่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทาา่านเรารู้สึกว่ามันเป็นทั้งสองวันแต่จริงทุกอารมณ์มันเกิดดับเกิดดั บ, ดบ ต่อไปเรืยแล้วก็ถอนลอยๆถอนไปก่อนถอนไปอยู่กับกายก่อนอนักการ์ดนยแต่ก็เอาแบบสบายๆนะอไม่ใช่ทําเพื่อจะให้คอาคิดหายแต่ที่เราทําคือเรามาสร้างเกณฑ์ในการมีสติไม่ใช่ทําเพื่อจะละความคิดหรือว่าหรือว่าไม่อยากทุกข์นะเราทําเพื่อมาสร้าง ส, งสติสติมันก็จะทําหน้าที่ของมันเอง ก็มีความสงสัยเพื่องก็สงสัยว่าถ้าแวิธี จ, จะเป็นสติจะเป็นการตัดกัมด้วยรือเากตัดกนั่นเองตย่างคนไทยมันจะเข้าใจว่ากรรมกรรมมันมันคือสิ่งที่มันไม่ดีหรื อ, รอไม่อยากเจ อ, อนะแต่จริงการตัดกรรมจริงๆเนี่ยราะว่าโอเคมันไม่ให้ไปตัดกรรมในแง่ว่า เราทำแล้วเดี๋ยวต้องไม่ใช้นะมันมัคนคล้ายๆบกงทีคนไทยคิดไปเหมือนเราเช่เราไปยืมเงินคนอื่นแนละ้วเราไม่ต้องใช้คืนเขาคือคือการตัดกันใช่ไหมอันนั้นว่าถ้าแบบนั้นมาคิดว่าโกงนะไม่เส้นทางดังนั้นเรายืมของเขาคืนแะล้วเราไม่ใช้คือการโกรงเขาอันนี้ที่จริงการก็คือการคำของเรานะั่นแหละถ้า ผลมันจะตามมาก็เหมือนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องใช้ฟังแต่การภ า, มม า, า, าวนาธรรมะอย่างใสตัวนี้ยมันไม่เราไม่ให้ไปเน้นที่ว่าเราจะต้องไม่ขืนไม่ขึ้นเขาแต่เราเน้นว่าแม้เจ้านี้เขาจะมาทวงแต่เราจะไม่ลูกใจเช่นมาทวงทำให้เราต้องเป็นพระเด็นมาทวงต้องทําให้เกิด นืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีกับชีวิตเราไม่ทุกไม่ทุกนี้คือการตัดกรรมที่ใจนะกรรมตรงนี้ที่จริงกรรมในใจเนี่ยคือกรรมที่มันจะเปสร้างภพสร้างชาตินี้อนาคตใช่ไหมเช่นมีอย่างที่พุทธเจ้าท่าบอกว่าเบนย่อมรักนางเทิดใจไ่จองเบนมีคนมาทําร้ายเราเราตัดการจองเบนไป มาว่าที่การตัดกรรมีริงเพราะมันจะไม่ไม่ต้องไปต่อโตกันอี้เราตัดที่ของเราเนี่ยตัดที่เราไม่ได้ทาต่อตัดในทาเทื่เรด้วยผู้พยาบาลต่อนี่ถึงการตัดกรรมมว่าจะปฏิบัติวิธีไหนถ้าทําแบบนี้ได้ก็จะชื่อว่าตัดกรรมที่ใจอันเนี้ยก็ถูกแต่ไม่ใช่ไปตัดตัดกรรมแบบเป็นโกงนี่นะตัวน่ เพราะที่จริงอย่างเมื่อเช้ามาพู ด, ดย้อไม่ได้มาอย่างพระโมคคัลานะท่านเคยอดีตแต่ชาตท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เองสุดท้ายก็เลยคุถึงฆ่าแม้เป็นพราราหานะก็ไม่เรียกว่าเจ็บผลทุกกรรมแต่แต่แน่นอนการการทำบุญหรือการารักษาศีลการภาวานา ม, มันก็อาจ็นเหมือนคล้ายคล้าย นัโทษเนะสมมติเรถูกตัดสินให้จำคุกความดีกุศลที่เราทําในควกสมมตนนะ่ะมันก็ทําให้ถึงการลดหย่อนลดหย่อนโทษแต่ที่จำคุกสิบ ป, ปีอะาจจะจํำคุกแค่ห้าปีก็คือการทำบุญทํำคำขอดีคือมันมันเพื่อลดตรงนั้นก็จะมีเหกันแต่ที่จริงการจริงๆเราไม่ได้หน้ที่จะไป ทานนี่ยตัดเกณฑ์ได้จริงนะเพราะเป็นแค่ท่านบอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องจิงตไปหรือเรื่องเคยพิสัยที่ผุ้ถูกชนต่คิดต่เข้าใจได้นั้นตอนนี้การตัดกรรมที่ใจที่มีทุ ก, ก น, นนะี่คือการภาวนาไม่ใช่เป็นเองเป็นตัดกรรมของคือปของกรรมแล้วที่สาคัญคือเราจะเน้นการทากรรมกรรมมีฐาแบบนะกรรม ชั่วกรรมดีหรือกรรมที่เป็นกรรมกลาอันนี้ทุกคนต้องทําไในในทุกวันแต่การทําทำกรรมฐานนะมันเหมือนมันไม่ใช่อยู่ระหว่างความชั่วความดีนะแต่มเหมือนผลขึ้นมาผลขึ้นเหนือขึ้นมาถึงดีเราต้องไม่ยึดชั่วแลาต้องไม่ยึดมันเหมือ น, น, อ น, น, อนพอกันนั้นพอเราไม่ไปยึดนะมันก็เลยไม่ผิดไม่กลายเป็นการสรนะ้างภะ อกชาบางคนทําบุญหวังไปสวรรค์ก็เป็นเหตุไม่ไปสวรรค์บางคนทําบาปก็เป็นเหตุไม่ไปนรกแต่ถ้าเราทํารมาฐานจริงๆจิตมันไม่ปีติอะไรมันก็จะไม่ไปไหนอแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าศูนย์นะหมายถึงว่าเมื่อมันไม่มีเหตุที่อยากจะไปไหนมันก็เลยไม่ต้องไปไหนนี่คือคือการอยูเห น, นือกรรมหรือว่าการ มาว่าถ้าแบบนั้นีย้วราตัดเวแต่ตามจริงๆอย่างทุกชาติ่าบอกแล้วชานี้คือชาติตัท้ายของเราแล้วมันมันจบเกีตที่ทำให้เกิดนมีแะไรนะก คอสิ่งที่เราทำคือการกระทำทำเหตุนะเราทําที่เหตุอย่าไปคาดหวงผลว่าทําไมทําแล้วไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ดีทํทากรรมฐานทําไมมันยังทุกข์อยู่เลยนะเรายังทําเหตุไม่พอเราก็ทำเหตุ อ, อ, อย่างนี้อะไรสะสมไปเรื่อยๆแล้วผลมก็ต้องเกิดขึ้นยเองอนะครับีมือนเราปลูกต้นไม้ แต่ก็หน้าที่เราบำรุงดินไส่ปุ๋ยลดน้ำนะแต่สัพพะของเจะค่อยๆโตค่อยๆออกต่อฝนการภาวนาก็เหมือนกันอางทีก็ผ่านช่วงอารมณ์ที่ง่อารมณ์ที่ฟุ้งซ่านอารมณ์ที่พอแท้หรืออางทีก็ผ่านอารมณ์ที่ชวให้หลงหลงในความสุขหลงในความรู้หลงในความนะ เรื่องติดอะไรที่มันละเอียดขึ้นนั้นนี่ก็เป็นทางที่เราต้องเปิให้ส่านเดนเรื่อยๆนครับนะครับผมคุณโยก็คงพอเข้าใจคับขอบะครับ